การแบ่งพุทธวจนะเป็นพระไตรปิฎกหลังพุทธปรินิพานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเขาสอให้เห็นว่าพระพุทธวจนะได้ถูกจัดเป็นหมวดหมู่บ้างแล้วในสมัยพุทธกาลแต่ยังไม่ได้แบ่งเวชชัดเจนหมวดนี้เป็นวินัยหมวดนี้เป็นพระสูตรหมวดนี้เป็นอภิธรรมจึงยังไม่มีคาว่าพระไตรปิฎกหากเรียกขานกันในนามว่า ทมและวินัยและการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและแน่นอนซึ่งเรียกว่าการทำสังคยานานั้นเริ่มมีขึ้นหลังพุทธปรินิพานได้สามเดือนและทาติดต่อกันมาเป็นช่วงช่วงทั้งหมดถึงห้าครั้งกว่าพระพุทธว จ, จนะจะได้รับการจานเป็นลายลักษณ์อักษรดังจะกล่าวโดยสังเขปต่อไป คำว่าสังคยนามีความหมายทั้งกว้างและแคบแล้วแต่ความประสงค์ของผู้ใช้และกรณีที่ใช้ที่กล่าวนี้ไม่ได้รวมความหมายที่รับรู้กันในภาษาไทยทั่วไปด้วยอาจารย์สุชีปุญญานุภาพได้ให้ความหมายไว้ชัดเจนและครอบคลุมดังนี้การสังคยนานั้นแปลาตามศัพท์ว่าร้อยกรองคือประชุมสง์ จัดระเบียบหมวดหมู่พระพุทธวจนะแล้วรับทราบทั่วกันในที่ประชุมนั้นว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วก็มีการท่องจํานําสืบต่อๆกันมาในชั้นเดิมการสังคยานาปรารบเหตุความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาจึงจัดระเบียบหมวดหมู่พระพุทธวจนะไว้ในครั้งต่อๆมาปรากฏมีการถือผิดตีความหมายผิด ก็มีการชำระวินิจฉัยที่ถือผิดความหมายผิดนั้นชี้ขาดว่าที่ถูกควรเป็นอย่างไรแล้วทำการสังคยนาโดยการทบทวนระเบียบเดิมบ้างระเบียบใหม่ในบางข้อบ้างในชั้นหลังๆเพียงการจารึกลงในใบลานการสอบทานข้อผิดในใบลานก็เรียกกันว่าสังคยนาไม่จำเป็นต้องมีเหตุการถือผิดเข้าใจผิดเกิดขึ้น แต่ความจริงเมื่อพิจารณารูปสับแล้วการสังคยนาก็เท่ากับการจัดระเบียบปัดกวาดให้สะอาดทำขึ้นครั้งหนึ่งก็มีประโยชน์ครั้งหนึ่งเหมือนการทำความสะอาดการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยการทำสังคยนาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาการทำสังคยนาได้กระทำสืบต่อกันมาหลายครั้ง การนับจำนวนสังขยาก็ไม่เป็นที่ยุติเพราะพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองนิกายใหญ่ๆคือเทราวาสกับมหายานแต่ละนิกายนับการทำสังขยาไม่ตรงกันเพราะต่างฝ่ายก็ไม่ยอมรับการทำสังขยาของอีกฝ่ายหนึ่งในที่นี้จะขอยกการทำสังขยาของสายเทราวาสเป็นหลัก สังคยนาครั้งที่หนึ่งจัดทาหลังจากพุทธปรินิพานสามเดือนสาเหตุเนื่องมาจากพระภิกษุบวชเมื่อแก่รูปหนึ่งชื่อสุพัทธะกล่าวดูหมินพระธรรมวิไนพระมหากัสสปะเกรงว่าพระธรรมวินันจะเสื่อมสู์จึงเรียกประชุมสงฆ์อรหันห้าร้อยรูปทาสังคยานาณรรำสัตบณัณคูหาข้างเวพารบันพศ ใกลกรุงราชคฤห์พระมหากษัตริยเป็นประธานซักถามพระธรรมวิเนยพระอานุ์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวิเนยในการนี้พระเจ้าอาชาตศัตรูทรงเป็นผู้อุปธรมป ร, ธรมกระทําอยู่เจ็ดเดือนจึงสําเร็จ สังคยนาครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังจากพุทธปริณพานึ่งร้อยปีสาเหตุเนื่องมาจากพระภิกษุวัชีบุตรกลุ่มหนึ่งได้ปฏิบัติย่อหย่อนทางพระวินัยสิบประการเช่นเก็บเกลือไว้ในเขาวัตว์เพื่อนำมาผสมอาหารไว้สำหรับฉันได้ตลอดไปเมื่อตะวันชายเกินเที่ยงวันไปแล้วประมาณสององคุลีฉันอาหารได้รับเงินและทองได้ ชันสุราอ่อนๆได้เป็นต้นพระเถระผู้ใหญ่ร่วมมือกันกระทําการครั้งนี้แปดรูปคือพระสัพพกามีพระสาระหะพระขุเชโสพิตะพระวาสภามิกะพระเรวัตตะพระสัมผูตสานวาสีพระยศกากันธบุตรและพระสุมาณะในการนี้พระเรวัตตะเป็นผู้สักถาม พระสภกามีเป็นผู้ตอบวินิจฉัยเรื่องทั้งสิบประการท่ากลางประชุมสงฆ์700ร้อรูปการสังคยนาครั้งนี้กระทำที่วาลูกการามเมืองภัยาลมีมีพระเจ้ากาลาโศกเป็นผู้อุปธรรมกระทำอยู่8เดือนจึงสำเร็จสังคยนาครั้งที่สกระทำเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้235ปี ซึ่งบางแห่งว่าสองสาปีสาเหตุเนื่องมาจากเีรัีปลอมบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้นแสดงธรรมวินัยผิดแพกไปจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาพระโมคคัลลีบุตรติสเถระด้วยความร่วมมือจากพระเจ้าอาโศกมหาราชเรียกประชุมสงฆ์จำนวนหนึ่งพันรูปสอบสวนชำระสะสางพระธรรมวินัยกำจัดเดรัีเหล่านั้น การสังคายนาครั้งนี้กระทาที่อโศการามเมืองปตาตลีบุตรทาอยู่เก้าเดือนจึงสำเร็จมีข้อน่าสังเกตคือพระโมคคัลลีบุตรติดสะเทระได้แต่งคำพีก์กถาวัตถุซึ่งเป็นคำพีหนึ่งในจำนวนพระอาภิธรรมเจ็ดคำพีและมีการส่งคณะสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศด้วยว่ากันว่าประเทศไทย ได้รับสืบทอดพระพุทธศาสนามาจากพระโสนะและพระอุตระที่ถูกส่งมาเผยแร่ศาสนาละภูมิภาคแถบนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสังคยาครั้งที่สี่ทำเมื่อพุทธศักราช238พระมหินทะเถระได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่ประเทศสีลังกา มีพระเจ้าเทวานำปิยติศะเป็นผู้อุปธรรมสังคยนาครั้งที่ห้าทมเมื่อพุทธศักราช450ซึ่งบางแห่งว่า433เพื่อต้องการจารึกพระพุทธวจนะเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเกรงว่าการถ่ายทอดโดยระบบท่องจำอาจวิปริตคล้ายเคลื่อนสังคยนาครั้งนี้ ทำที่อโลกาเลนสถานมาตะเลชนบทซึ่งชาวไทยเรียกว่ามาลายชนบทประเทศสีลังกาพระรากคิตตมหาเทระเป็นประธานทำอยู่นานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน